เมื่อวันจันท์ไปหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านอาจอารย์อนันต์วัดมับจันทร์ลูกศิษย์หลวงพ่อชาจันนั้นท่านเล่าให้ฟังบอกหลวงพ่อชาเคยบอกไว้บอกว่าสอนคนเมืองสอนพวกปัญญาชนนะต้องสอนดูจิตสั่งอย่างนี้เลยให้ดูจิตด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่านสอนบอกว่าสอนพวกปัญญาชนเนี่ยจะให้ศรัท ธ, ธาก่อนนะเขาไม่ศรัท ธ, ธาหรอกจะให้ไปถือศีล จะให้ไปทำสมาธิอะไรมันรู้สึกจับต้องไม่ได้ให้ดูจิตเขาไปเลยเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนที่พวกเราเห็นทุกวันเนี่ยเราเห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยชั่วมากก็ชั่วบ่อยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะแล้วมันศรัทธามันจะเกิดขึ้นชีวิตเคยจมกว่าความทุกข์ก็ทุกสั้นลงทุกข์เบาลง เห็นความจริงมากขึ้นว่าทุกอย่างไหลามาไหลไปนะอย่าเริ่มเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นของจริงนะมีจริงๆริงพิสูจน์ได้โดยการตามดูจิตตัวเองในเวลาสั้นๆก็จะเห็นแล้วทุกอย่างที่เกิดล้นแต่ดับทั้งสิน้นถ้าใจไม่เข้าไปยึดใจไม่เข้าไปถือใจก็ไม่ทุกข์ถ้าใจเราเข้าไปยึดไปถืออยู่ใจก็ทุกข์พวกเราเห็นไหมตรงเนี้ยที่ภาวนา ถ้าสภาวะมีอยู่นะก็ส่วนของสภาวะใจไม่ได้ยึดถือก็ไม่ทุกข์ใจเข้าไปยึดถือใจก็ทุกข์เราจะเห็นอย่างนี้มีความโลภมีความอยากมีตัณหาใจก็เข้าไปยึดถือเป็นอุปาทานมีตัณหาก็เลยยึดถือมีอุปาทานก็เกิดพบพบก็คือเกิดการทํางานของจิตใจเป็นความบีบคั้นขึ้นมาเกิดชาติจะรู้สึกมีตัวเราขึ้นมากายนี้ใจนี้เป็นเรานะไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมา คำว่าชาติเนี่ยในตําราแปลว่าความได้มาซึ่งอายตนะความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะได้มาอย่างไงหมายถึงไปหยิบฉวยมานั่นแหละเมื่อไหรเราไปหยิบฉวยมานะมันก็รู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาไปหยิบฉวยมาทันทีก็มีทุกข์ขึ้นมาทันทนะีมีชาติเราก็มีทุกข์นี่เราหัดภาวนาเราจะเริ่มเห็นของจริงเมื่อวานครูบามาเล่าเรื่องตลกตลกตลกสําหรับนักปฏิบัตินะ ก้าก็นึกผมภาวนามาตั้งนานนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าไปชิดมาว่าผมภาวนามาตั้งนานนะอยู่กับหลวงพ่อมาสิบกว่าปีทำไมผมไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะผมเห็นแค่ว่ามันมีตามีรูปมันกระทบกันนะมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมานะแล้วกิเลสก็แทรกตามความรู้สึกขึ้นมาแล้วใจมันก็มีความอยากขึ้นมาใจมันก็เข้าไปยึดใจมันก็ไปดิ้นรนทางานนะ แล้วมันก็มีทุกข์ขึ้นมาผมไม่เห็นปฏิจจสมบาทเหมือนใครเขาเลยบอกโตวน่าเกียดกลัวเอ็ที่พูดมาน่ะปฏิจจสมบัติทั้งนั้นเลยอาศัยนามรูปใช่ไหมนามรูปก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นนามรูปมีนามรูปมีกายมีใจนะก็มีอายตนะมีนามรูปมีกายมีใจก็มีอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะก็มีการกระทบสัมผัส ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนแข็งใจสัมผัสธรรมารมตัวนี้เป็นทัศน์เมื่อมีทัศน์ก็มีเวทนาตามหลังมากเวทนาเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาเฉยเฉยขึ้นมาพอมีเวทนาแล้วกิเลสมันแทรกมีสุขเวทนาราคาก็แทรกมีทุกขเวทนาโทสะก็แทรกอาทุกขมัธสุขเกิดขึ้นหรือ อะไรกิเลสใดๆเกิดขึ้นนะก็มีโมหะแทรกอยู่ตลอดพอมันมีกิเลสขึ้นมามันก็เกิดความอยากขึ้นมาโทสะเกิดก็อยากผลักอยากให้หายไปอยากให้หายไปเรียกว่าวิภวะตัณหาไอ้นี้เกิดขึ้นมาราคะแทรกอยากให้อยู่อยากให้อยู่อันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้มันคงอยู่ถาวร อ, อย่างเวลาเรามีความสุขเราอยากให้มันเป็นอมตะเนี่ยเรียกว่าภาวะตัณหา เพราะว่าตัณหาบางทีงเรียกว่า ส, สตะะ ส, สตะทิจิอยากให้มันคงที่วิภาวะตัณหาเม่อไปค่อนไปทางอุเฉททิฐิอยากให้ขาดศูนส่วนความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาทั้งหลายนี่เรียกว่ากา ม, มาตัณหาดังนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาน่มันมีเวทนาแล้วกิเลสมันก็แทรกในเวทนาแลกิเลสใดๆเกิดขึ้นก็ผลักดันให้เกิดความอยาก พอความอยากเกิดขึ้นในใจก็ทะยานเข้าไปยึดถืออารมณ์เข้าไปยึดแบบเอาไวา้ก็มีเข้าไปยึดแบบจะผลักออกไปก็มีอย่างเวลาเราจะผลักอะไรรู้สึกไหมเราจะต้องเข้าไปยึดอ น, นั้นไว้เราถึงจะผลักได้สมมติหลวงพ่อจะผลักไมโครโฟนเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่แตะมันผลักไม่ไปใช่ไหมแต่ถ้าแตะมันจะไปมันถึงจะไปได้งั้นยังไงก็ยึดนั่นหละจะเอาไว้หรือจะให้มันไปแล้วก็ยึดมันแล้วแต่ยึดแบบเองไปนาทีขณะที่ผลักสังเกตไหมนี่ ขณะที่ผลักมันยังติดอยู่นะอถ้าเลิกผลักแล้วก็เลิกติดเลิกดึงก็เลิกติดนะี่ยังผลักอยู่ก็ยังติดอยู่เนะนี่ยพอใจมันมีเวทนานะเวทนาก็มีกิเลแสแทรกก็ผลักให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาใจก็เข้าปเกาะเป็นอุปาทานเกาะแล้วทํายังไงก็แล้วดึงไว้ดันไว้ทํางานการทํางานของใจเรียกว่าภพนะมันก็จะหยิบฉวยในะขณะนั้นก็หยิบฉวยเอากายเอาใจให้ใหมานะ มีรูปมีนามมีตัวเป็นตัวของเรานะมีเราขึ้นมาไปหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อไรนะหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นแหลนะนี่ธรรมะนะค่อยๆเรียนไปหากเบื้องต้นก็จะเห็นปฏิจจสมบัติท่อนปลายเนะี่ยปฏิจจสมบัติท่อนต้นเห็นยากมากถ้าเห็นแจ้งก็เป็นพระอราหารนันตะ์แล้วนะต่อไปตรวจกันบ้านเชิญคนอยู่วัดเออ ช่วงช่วงสองวันหลังรู้สึกมันจากมันจะคลายคายกว่าเดิมวันแรกรู้สึกจะตรุมบอลไปนิดนึงออนวันนี้เป็นไงวันนี้ฟุ้งซ่านรูร้บมั้ยเตรียมจะกลับบ้านครับไม่ทราบมีการบ้านอะไรพิเศษรึเปล่าครับมีสตินะรู้ ก, การู้ใจด้ความเป็นกลางครับเท่านั้นนะขอบคุณครับใครขอกันบ้านวันนี้ให้พร้อมๆกันนะชอบมาขอกันบ้านรายบุคคลเพราการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอก มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเท่านั้นเองจำได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่เพ่งนะไม่ใช่ให้เพ่งกายเพ่งใจแต่ให้รู้ไม่ได้ให้ลืมกายลืมใจแต่ให้รู้มีสติรู้กายรู้ใจต้องกายกระใจตัวเองด้วยกายกระใจคนอื่นไม่ได้นะรู้ตามความเป็นจริงทำความเป็นจริงต้องรู้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าไม่เป็นอดีตก็ไม่ใช่ของจริงแล้วอดีตเป็นความคิดไปแล้วอนาคตก็เป็นความคิดอดีตเป็นความจำไม่ใช่ของจริงแล้วเพราะฉะนั้นดูกายดูใจตามความเป็นจริงต้องดูกายกับใจของจริงดูในปัจจุบันตามความเป็นจริงคือต้องเห็นใตรักความจริงของกายคือใจรักของใจคือใตรักจะเห็นไตรักได้ต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตเป็นคนดูตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าจิตไม่เป็นกลางนะจะไม่เห็นไจรักจิตยังจะดิ้นต่อไม่ยอมรู้เฉยๆแต่จะดิ้นรนต่อเช่นเห็นหน้าป้อนักเกลียดเกลียดใช่ไหมใจก็ดิ้นรนไม่เป็นกลางกับป่อไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางเนี่ยไม่สามารถเห็นความจริงของป่อได้ว่าจริงๆเป็นคนดีๆอะไรเงี้ยนะเป็นหมูตัวบางนะตอนนี้เป็นหมูบางเฉียบเพราะฉะนั้นถ้าใจเราเป็นกลางเราถึงจะเห็นความจริงได้ใจไม่เป็นกลางไม่มีอคติ เมีคติก็เห็นเพี้ยนนะพระราหันเท่านั้นแหละที่ละอคติไดนะ้แต่ถ้าเป็นอคติเพราะโทสะเพราะราคะนี่นะถ้านาคากละได้น ะ, ะต่อไปพ อ, พอรับใหม่แล้วรู้สึกว่ามันแน่นกี่ครับหลวงพ่อเออใหม่ตัวนี้พาให้แน่นหรือแต่แต่ก็เท่าที่สังเกตดูก็ไม่ได้กดนะครับหนึ่ง หรืออาจจะมีกฎบ้างมีสีไม่มีมันแน่นเลอยู่ก็แน่นขึ้นมากับตอนตอนถิวใหม่นะครับลองวางใหม่ซิหายไหมเบาขึ้นไหมล่ะเนี่ยแหละไม้เนี่ยมันมีพลังงานเอาพูดจริงนะเพราะทุกคนที่จับเนี่ยนะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต็มไปด้วยความเครียดไม้ตัวเนี้เป็นวัตถุอับละมงคลบรรจุพลังงานแห่งความเครียดไหม แต่มนุษย์ผู้ไม่รู้อีโนอีเน่ยพยายามจะแย่งชิงกันแล้วไงหลวงพ่อครับตอนเดินชงกลมอะครับคือมันเดินตอนมืดๆนะฮะแล้วก็บางครั้งมันรู้สึกเหมือนกับมันวูบๆคล้ายๆกับมันคิดว่าเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวแต่ว่ามันไม่เห็นจิตกลัวฮะมันเห็นมันเห็นเหมือนกับอาก า, อาการวูบอาการวูบฮะก็รู้อาการไป อาการนั้นก็แสดงความไม่คงที่ของจิตนะรู้อย่างนั้นนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะอะไรเกิดก็ดูอันนั้นใช่ไหมครับใช่เเบอร์สี่สบสาเชิญกราบนมัสการของพ่อค่ะตื่นเต้นแล้วก็ก่อนที่จะมาวัดรู้ตัวว่าจะมาวัดก็ฟุง้งซ่าน อยากจะถามว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้ได้นะไปหัดดูไปกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้รู้บ่อยๆแต่ก็รู้ว่าตอนนี้ความความทุกข์น้อยลงเราไม่ได้ฝึกเอาให้หายทุกข์หรอกนะเราฝึกให้รู้ความจริงว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็คือกายกับใจเนี่ย เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์หรอกนะค <Okay. S 1> ถ้าใจเราเห็นความจริงจิตใจเราเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆนมันจะหมดความยึดถือเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจทีนี้ถึงจะพ้นทุกข์จริงๆตอนนี้ตอนเราหัดเริ่มต้นเรายังไม่รีบพ้นทุกข์หรอกเราค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆแต่ที่คุณฝึกมานั้นถูกต้องแล้วนะใจเราห่างทุกข์ออกมาเรื่อยๆ แต่ว่าพอมันห่างแล้วเราไม่ไปหลงดีใจกับมันนะคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าเบื่อนั่นแหละภาวนาถูกต้องพอเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายแล้วที่เห็นบางครั้งที่นั่งนั่งอยู่แล้เหมือนกับว่าเห็นตัวเองนั่งดูตัวเองนี่นั่นแหละเห็นถูกแล้วนะนั่นแหละทหวิปัสสนาขอบพระคุณค่ะไปฝึกนะวันหนึ่งก็ได้พ้นทุกไป ฝึกดีแล้วแต่อย่าให้ติดความสุขนะความสุขเป็นผลปล่อยได้เราฝึกแล้วมีความสุขด้วยมาถ้าเราไปเพลิดเพลิน พ, พอใจเราก็ติดอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คาพันหลวงปู่คาพันโคสปัญโยนะอยู่อำเภอปลาปากหลวงปู่คำพันเคยสอนหลวงพ่อนะว่าเวลาเราเดินทางไกลๆนะมันเหนื่อยมันร้อนมันเจอต้นไม้ใหญ่มีร่มมีเงา ถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเราก็พอใจนะเราก็ไม่ยอมเดินต่อนี่ครูบาอาจารย์เวลาสอนกรรมฐานนะสอนแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยคือต้องต้องไปฟังเราต้องไปดูเอาเองพิจารณาเราก็ทีแรกต้องงงๆทำไมอยู่ๆหลวงปู่ไปพูดเรื่องต้นไม้วนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสภาวะอะไรนะเราก็ยินดีพอใจเราก็ติดอยู่ในสภาวะอันนั้นเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถ้าเรามีความสุขขึ้นมาก็าแค่รู้แล้วก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปเบอร์188กลับน้ำส ก, การพ่อแม่ครูอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามกันบ้านสองข้อครับข้อแรกล่าสุดเมื่อผมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นนะครับทีนี้ผมยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ไม่ตั้งออมันมว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนอยังไง ครั้งนี้กับคราวก่อนรู้สึกว่าเบาขึ้นครับออแต่ก็ยัง เ, ออเข้าไปควานควานแล้วรู้ว่ากวานนะใช้ได้ดีขึ้นนะแต่ก่อนนะ้าใจมันออกนอกไปครับตอนนี้มันเริ่มกลับเข้ามาเรียนรู้ข้างในในกายในใจของตัวเองครับนะข้อสองละข้อสองขอเวลาญาติธรรมสักสองสนาทีขอเล่าออก่อนที่ผมจะได้อ่าน หนังสือหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนนะครับ mm hmm. ผมเคยภาวนาด้วยกันะตระเวนไปอยู่ตามที่ต่างๆตามวัดป่าพวกนี้แล้วก็เดินเดินจงกรมตอนนั้นก็รู้สึกว่าว่า จ, จิตใจค่อนข้างสบาย mm hmm. แล้วก็บริกรรมพุโทโธ mm hmm. แล้วก็อยู่กับพุโทโธแล้วก็พอเห็นพราะมันเคลื่อนออกไปจากพุโทโธเนี่ย mm hmm. ก็รู้กลับเข้ามา mm hmm. เสร็จแล้วพอมานั่งสมาธิเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของอมอรณสติ mm hmm. แล้วก็เอาเปรียบเทียบ ยายาปรุงแต่งเปรียบเทียบตัวเราเข้าไปแทนเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็พิจรารณาจนจิตมันมีความสบายแล้วก็สงบพอพราะสงบอพอจิตถอยเข้ามารู้สึกที่กายเนี่ยพิจารณามาที่แขนแล้วก็รู้สึกว่าแขนไม่ไมใช่เราแล้วก็จิตเหมือนเขาบอกเข้ามาว่าสิ่งรอบๆตัวก็ไม่ใช่เราเธอดีแต่ไม่ทราบว่าตรงนี้มันเป็นปัญญาจากการคิดหรือเปล่าครับไม่ใช่ตรงนี้เราไม่ได้เจตนาแล้ว เวลาที่เราทำสมาธินะแล้วเราไปพิจารณาขณะพิจารณาเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงรทำไมต้องพิจารณาเพราะเวลาที่เราทำสมาธินี่จิตมันจะสงบจิตมันต้องการความสุขความสบายจิตขี้เกียจที่จะเริญปัญญาครูบาอาจารย์ก็สอนเราให้พิจารณากายเป็นการนำร่องเป็นการกระตุ้นให้จิตจเจริญปัญญาแต่ในขณะที่คิดพิจารณานั้นยังไม่ใช่วิปัสนาเป็นแค่อุบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดในความเฉย นะแต่ว่าจิตมันเคยเดินปัญญาแล้วสมาธิมันก็มีแล้วพอออกมาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยรู้สึกไหมเราไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นเองแขนไม่ใช่เรานะ <Okay. S 2> เห็นตัวไม่ใช่เราเห็นโลกไม่ใช่เราอันเนี้ยตัวเนี้ยปัญญามันเกิดขึ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งสติแต่เดิมเราสติรู้ลมหายใจรู้พุทโธเนี่ยสติเกิดะระลึกรู้แขนอันที่สองจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ ไม่ได้เจตนาจะรู้ปัญญามันเกิดปั๊บขึ้นมานะว่านี่ไม่ใช่เราหรอกโลกาธาตุนี้ไม่ใช่เราเนะหลืออันเดียวจิตยังเป็นเรานึกออกไหมครับนะที่นั้นที่เราภาวนาต่อไปนี้ก็คือเฝ้ารู้เฝ้าดูไปที่ปฏิบัติมาแต่เดิมก็ไม่ทิ้งนะทําได้ไม่ผิดหรอกราาครูบาอจารย์เดินมาแบบนั้นเนยอะแยะเลยแต่สุดท้ายมันต้องเข้ามาฟาดฟันกันที่จิตนี่แหละถ้ายังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ก็ยังไม่ขาดครับดี ผมจะนําอุบายแบบนี้มาใช้ใช้ได้ไดแต่ ต, ต้องรู้นะว่าไม่ใช่วิปัสนาครับการคิดพิจารณาหลวงปู่เทศสอนชัดเลยการ พ, พิจารณามรณสติเนี่ยเป็นอุบายนะไม่ให้ประมาทแก้อาการของจิตคือความประมาทการพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาพเป็นอุบายเพื่อแก้จิตไม่ให้ติดราคะติดกามนะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันนี่เพื่อ ให้จิตไม่ไปหลงผิดว่ามันเป็นาธาตุเป็นขันเป็นการสอนมันอะแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาเป็นการแก้อาการของจิตเท่านั้นเองพิจารณาความตายไม่ประมาทอะไรเงี้ยนะแก้อาการหลวงพ่อพุธก็เคยสอนบอกว่าวิปัสนาเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความคิดยังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาจริงนะครูบาอาจารย์วัดป่าชอบเรียกว่าวิปัสสนึกเพราะนั้นการที่คุณทําความสงบแล้วมาพิจารณากายเนี่ยถูกต้อง ถัดจากนั้นพออยู่ในชีวิตประจําวันก็เจริญสติในชีวิตประจําวันกรรมฐานครูบาอาจารย์วัดป่านะทำต้องให้ได้ครบสามอย่างหนึ่งทำความสงบเข้ามาสองพิจารณากายเพื่อกระตุน้นไม่ให้จิตติดความสงบไม่ให้จิตติดเฉยก็สามที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันหลวงปู่มั่นบอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟู้งซ่าน หัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจํำวันนี่ทำอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่ <ผม S 1> บาง<แ>บคนหรอกคนรุ่นหลังๆนี่แหละเขทําสมาธิอย่างคุณไม่ได้เขาก็ต้องเจริญสติในชีวิตประจําวันไปเลยคล้ายๆคนยากจนนะก็ไม่ร่ํารวยแบบพวกเข้าฌานได้ก็ต้องทําไปหากินไปแบบยากจนนั่นแหละวันหนึ่งก็ค่อยรวยขึ้นมานะสุดท้ายมันก็ทําได้เหมือนกันนัแหละอ้าวเบอร์ห้าสการครับ กลัน้มัสการหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งมีโอกาสส่งกันบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็ที่ผ่านมาลองพยายามฝึกดูก็รู้บ้างไม่รู้บ้างบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะเผลอแล้วก็หลงยาวๆอะค่ะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวไหมค่ะก็คิดว่ารู้เป็นเป็นบางเวลาค <นำ S 2> ่ะน้ําเป็นคณะขะไปแต่เดิมนี่นึกออกหรืยังแต่เดิมนี่หลงตลอดค่ ะ, น, ะนี่พอเราตื่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยมีชีวิตที่หลง แต่ตื่นก็ตื่นได้เป็นขณะขณะเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้ตื่นตลอดเวลาไม่จําเป็นตื่นตลอดเวลาไม่ใช่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์นะเราทําไม่ได้หรอกเราตื่นขึ้นมาชั่วแวบนี่ก็มีประโยชน์ละมันจะเห็นว่าชีวิตตะกี้นี่ส่วนหนึ่งหลงไปแล้วดับไปแล้วเกิดชีวิตใหม่ที่รู้สึกตัวชีวิตใหม่ที่รู้สึกตัวก็อยู่ชั่วแวบเดียวก็เกิดชีวิตที่หลงขึ้นมาอีกนะั้นหลงแล้วก็รู้สึกหลงแล้วก็รู้สึกชีวิตขาดเป็นช่วง เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานๆ น, น, นะปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่ช็อตสั้นๆเท่านั้นเหมือนถ่ายหนังนะเป็นช็อตเล็กๆกๆนะสั้นๆตลอดเวลาแล้วทุกอันานี่เกิดแล้วดับหมดเลยเห็นไหมชีวิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับชีวิตที่รู้สึกเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับเรียนจนกระทั่งเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะคุณทําได้ดีแล้วละเบอร์ร้อยยคุณผ่า การนมัสการค่ะฟังซีดีแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติมาประมาณ 6-7 เดือนนะคะวันนี้มีโอกาสได้ส่งการบ้านครั้งแรกตอนนี้กดไว้ค่ะโอ้ถูกแล้วก็อยากจะขอถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะแล้วหนูว่าหนูเป็นไงม้างอะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยค่ะแต่ว่ารู้สึกไหมว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดเห็นค่ะนะจริงๆร้ายมากเลยดูออกไหมนะเราภานาเนี่ยเราลอกเปลือกตัวเองออก แต่และคนนะสร้างหน้ากากขึ้นมาหลอกคนอื่นนะเราก็หลอกตัวเองไปด้วยเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีพอเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราไม่รู้เท่าทันกิเลส ท, ที่ซ่อนอยู่ในใจเราเราก็ล้างมันไม่ได้หรอกนี่เราไม่ไปกดเอาไว้นะกิเลสก็โผล่ขึ้นมาเราก็คอยเรียนรู้ไปเห็นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปวันหนึ่งนะกิเลสก็ยอมใจไม่ไดนะ้ปัญหาตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหม ออกเกิดจิตไม่เข้าที่ไม่ถึงฐานลงไปยินดียินร้ายตลอดค่ะไม่เป็นไรยินดีแล้วรู้ทันยินร้ายแล้วรู้ทันนะไม่ห้ามหรอกเพราะห้ามไม่ได้เบอร์ ah. 90สอยู่ทางนี้ข อ, อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเดินทางมาจากอเมริกาก็ได้พบ เ, <อ> เ, เห็นหลวงพ่มาด้วยหรือเปล่าเ <c oughs> <laughs> พื่อนพบเห็นหลวงพ่อในทางเว็บไซต์แล้วก็เพื่อน ก็พามาจริงๆมีคำถามหลายอย่างแต่คิดว่าคงย่อลงมาเหลือในส่วนที่สงสัยจริงๆ mm hmm. หนูเป็นคนที่ชอบในการทำบุญมากจนบางครั้งมีความรู้สึกว่ายึดติดกับการทำบุญ mm hmm. เห็นบุญและอยากทำเห็นคน mm hmm. ที่ต้องการความช่วยเหลือและยอยอยากจะวิ่งเข้าไปช่วย mm hmm. ข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อ2งก็คืออยากจะให้หลวงพ่อกรุณาชี้แจงความแตกต่างระหว่างความรู้สึก ที่มีความเมตตากับความรู้สึกที่รู้เท่าทันแต่เรียบเฉยอะไรนะรู้เท่าทันกับอะไรนะที่รู้เท่าทันแต่ว่าเรียบเฉยค่ะเหมือนก็ว่าเราอุเบกขานิ่ ง, ง, งแต่กับกับความเมตตาที่เราให้ข้อหนึ่งว่าอะไรนะ่าลืมและข้อหนึ่งทีเ่เราเห็นโอกาสในการทําบุญแล้วเราอยากตื่ชอบเข้าไปทำคือบุญมีหลายระดับแต่ว่าบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่ บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญานะเป็นบุญเล็กๆอย่างเราอยากทำบุญนะอยากช่วยคนอยางอะไรเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเลยแต่เราก็ต้องรู้ทันใจเกิดความอยากให้รู้ว่าอยากอยากทำบุญก็ต้องรู้ว่าอยากนะเราจะได้บุญมากขึ้นกว่าเก่าอีกไม่งั้นได้บุญเล็กน้อยนะต่อไปนี้เวลาอยากทำบุญให้รู้ทันใจตัวเองถัดจากนั้นสมควรทาก็ทาไม่ใช่ทาเพราะอยาก ถ้าทำเพราะอยากได้บุญเล็กน้อยถ้าทำเพราะสติปัญญาเห็นว่ามันสมควรทำเราก็ทำได้บุญเยอะนะนี่เป็นการพัฒนาบุญของเราขึ้นไปสู่การภาวนาไม่ใช่แค่ทำฐานข้อสองอะไรความแตกต่างระหว่างความรู้สึกเมตตากับความรู้สึกวางเฉยค่ะความเมตตานะเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรคาว่าเมตตาคาว่ามิตรคาว่าไมตรีคาเดียวกันนะรักษาอันเดียวกัน คือเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรเราเป็นมิตรกับคนนี้เราอยากให้เขามีความสุขใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาก็มีความสุขเนี่ยลมๆแรงๆเรารู้ว่ามันมิจฉาใจมันจะเป็นอุเบกขาถึงจะใช้ได้นะถ้าเมตตาแล้วไม่มีอุเบกขาเป็นตัวเบรกมันจะกลายเป็นราคะอย่างเราเมตตาคนนี้มากนะสนใจมากเลยเราคอยดูช่วยเหลือเขามากๆนะดีไม่ดีไปติดใจเขากลายเป็นราคะใช่ไหมไม่เป็นกลางจริงแล้ใช้ไม่ได้ หรือเราการุณาเกิดขึ้นเห็นเขามีความทุกข์อยากให้ช่วยอยากไปช่วยเขาสงสารเขาสงสารสัตย์สงสารมาใจเราฝ่อเลยใจเราเหี่ยวเลยเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วใจฝ่อนึกออกไหมใจที่ฝ่อไม่ใช่ใจที่กรุณาแต่เป็นใจที่มีโทสะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราการุณาเราหรือเราเมตตาเราการุณานะอย่าลืมอุเบกขา ต้องมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเกิดความเมตตารู้ทันจิตเกิดการุณารู้ทันนะอาศัยมีสติรู้นี่ยเดี๋ยวอุเบกขาเขามีสูงสุดไม่ใช่เมตตาการุณานะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยะคะว่าคือบางครั้งมองมองขับรถไปตามถนนแล้วเราถูกคนปาหน้าอย่างนี้พอเราก็รู้สึกก็เออไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าก็เรียกว่าปงตบ <laughs> เหมือนกับว่าเราไปไปโกรธเขาบางคนก็เคยเห็นคนก็แกลแข่งกันปาดไปปาดมาใช่ไหมคะแต่เราหนูไม่เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทันใจของเราไปนะเห็นเขาปาดไปใจเราสังเวชรู้ว่าสังเวชใจเราเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหัดมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆความสําคัญของขอโทษนะคะอีกคำถามนึ่งคำถามสุท้ายค่ะว่าความสําคัญของ คำภาษาบาลีนี่สําคัญมากไหมคะเพราะหนูไม่สําคัญเลยหนูยากมากที่นหนูจะจำได้ลองไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องแต่เธอผู้มาใหม่เคย อ, อ่านไหมในนั้นไม่มีบาลีสักคําเลยลองไปอ่านตัวนะภาษาก็คือภาษาเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสาร คนสมัยก่อนนะต้องพูดภาษาพาลีปนนะจะได้ดูน่านับถือใช่สมัยนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งปนแล้วดูน่านับถือมันก็อแค่ภาษานั้นแหละขอบคุณค่ะตัวสําคัญว่าภาษาก็คือตัวสภาวะเห็นสภาวะแม้สภาวะบางอย่างเรียกชื่อไม่เป็นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแค่เห็นว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปก็แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วเมื่อยเก้าร้อ กราบนมัส ก, การขอรับหลวงพ่อคือขอโอกาสเรียนถามนะครับกระผมอ่านหนังสือพระอาจารย์มานานแล้วก็ฟังซีดีมานานครับแต่ว่าคือยิ่งอ่านเยอะยิ่งฟังเยอะบางทีก็ยิ่งสับสนนะครับเลยอย่าไปอ่านเลยอ่านใจอ่านใจตัวเองครับคือรู้สึกว่าตัวเองเออ ไม่ทราบจริตที่ชัดเจนของตัวเองนะครับของคุณนะเป็นพวกทิฐิจริตเป็นคนช่างคิดนะขอรับกรรมฐานที่เหมาะกับคุณนะก็ ค, คือดูใจตัวเองคุณคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้คุณเริ่มกดความรู้สึกของตัวเองให้นิ่งแล้รู้สึกไหมรู้สึกครับพ อ, อ, อมันหัวใจมันเต้นแรงมากเลยคเอออย่าไปกดไม่ตายหรอกหัวใจเต้นขนาดนี้นะรู้สึกไหมพอเมื่อกี้ตรงที่หัวเราะแล้วก็ขยับตัวองเนงะี้ยใจมันโล่งขึ้นมา ใจโล่งให้มาก็รู้ใจแน่นให้มาก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้แค่รู้เฉยๆ เ, เราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวคือบางทีผมรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรจะดูแล้วก็ก็คือคิดแวบขึ้นมาคือคือบางทีก็มีพระอาจารย์มาเทศให้ฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็นี่ไง ก, ก็ดูไปสิอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดูพระอาจารย์ให้ดูใจตัวเอง พอพระอาจารย์มาเทศนะฟังแล้วอะไรว่ะงงงงรู้ว่างงเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติละนะให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเนืองเนืองนะมันจะเป็นการกดข่มบ่อยๆหรือเปล่าครับไม่ถ้ากดข่มใจจะแน่นๆคุณรู้จักว่ากดเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้หลวงพ่อเห็นแล้วนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่ากดเป็นยังไงก็อย่าไปกดมันสิแค่นั้นเองยากอะไรวะขอบพระคุณครับอ้าวเบอร์200 Oh. มาส ก, การชาค่ะเออคือว่าอยากจะพูดถึงเรื่องปฏิบัตินะคะบั อ, อิญว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่กลุ่มเขาให้ปิดวาจาบังเอิญหนูก็รู้ว่าเออปิดวาจาแล้วบังเอิญก็หลุดพูดไปทักเพื่อนก็รู้ว่าตอนนั้นหลุดพอหลุดเสร็จปับ๊บก็รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังปิดวาจาอยู่ก็เลยพอทั้งต่อไปเวลาเพื่อนที่มาคุยอะไรอย่างนี้ก็จะรู้แล้วว่า จิตมันก็จะแบบไม่ได้ไปคิดรู้ว่าปิดก็เฉยเฉยก็เฉยเฉย <laughs> ก็ไม่ได้ไปตอบไม่ได้ไปอะไรค่ะจนกระทั่งถึงหมดเวลาแต่ช่วงเวลาที่การปฏิบัติปิดวาจานี้จะเห็นความรู้สึกบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดแล้วก็คันๆอยากจะตอบออมีความรู้สึก <laughs> อยากจะพูดออกมามากแต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะเออท่โชคดีที่ว่าครั้งแรกที่ไปหลุดออกไปครั้งแรกก็เลยจำได้ว่าอ๋อเม่กี้พูดไปแล้วนะหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยั้นในการปิดวาจาของเราก็มีประโยชน์ละค่ะปิดแล้วเราเห็นใจที่มันอยากพูดใช่ค่ะต่อไปนี้ก็ดูไปอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะความอยากใดๆเกิดที่ใจรู้เรื่อยไปค่ะยังดีนะไม่ทะเลาะกันมีพระสามองค์นะสัญญาปิดวาจา เสแล้วองค์ที่หนึ่งเผลอพูดขึ้นมาน ะ, ะองค์ที่สองก็บอกแน่ ah, ท่านพูดแล้ว <laughs> องค์ที่สามบอกนะ ah, ท่านพูดทั้งสององค์เลยม <laughs> <laughs> ีผมไม่พูดอยู่คนเดียวค่ ะ, <laughs> ค ะ, คะแล้วก็อย่างที่ตอนเช้าที่ฟังที่หลวงพ่อเทสอ่ะบางทีก็รู้สึกว่าอืเวลาที่หลวงพ่อเทศสก็เห็นหัเลาะอยู่คนเดียวแบบหัวลาะแล้วก็แบบอว่าเออบางทีก็รู้สึกว่าเทสแล้วถูกใจ ก็จะหัวรอออกมาอันทีก็ฟังฟังกันไจิตขาดนี้เป็นธรรมดาไหมค่ะข้างในเต้นแรงนิดนึงค่ะหัวใจเต้นแล้วกดมันเอาไว้ค่ะนะตอนนี้บังคับอยู่บังคับอยู่บังคับอยู่ใจจะแข็งแขงทื่อๆขึ้นมาแน่นแน่นค่ะแน่นสักนิดเดียวก็แสดงว่าบังคับละนะให้รู้ทันสภาวะไปนะ อย่างเมื่อวานเห็นแล้วว่าความอยากพูดเป็นยังไงใช่ค่ะเห็นค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เห็นไปนะใจมันแน่นขึ้นมาก็รู้ไปฝึกดูสภาวะเรื่อยๆเบอร์สิบขอบคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะถามว่าที่ภาวนาอยู่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นค่ะรู้สึกไหมใจเราโล่งใจเราว่างใจเราสว่างกว่าเก่ารู้สึกค่ะูออกไหม ดูออกค่ะว่าเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนมากนะรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงใช่ค่ะอย่านิ่งนะสอนๆไหมตัวจริงของคุณสนนะแต่คุณแกล้งทำเป็นนิ่งๆเพื่อให้ดูเรียบร้อยเอาตัวจริงออกมานะอย่าใช้ตัวปลอมเวลาเราทํำวิปัสสนาเราจะปลดปล่อยตัวจริงออกมานี่ตัวจริงของแต่ละคนนี่รายกาศ เั้นก่อนจะทำํำมิปัสสนานี่สิ่งที่จําเป็นมากเลยก็คือการตั้งใจรักษาศีลเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาศีลไว้เลยเพราะเราไม่เก็บกดนะความชั่วร้ายจะขึ้นมาแล้วมันจะไปร่ารานชาวบ้านเขาแล่นเรามีศีล น, นะแล้วเราไม่เก็บกดเราปล่อยให้จิตเนี้ยทำงานไปตามธรรมชาติจิตทาํางานยังไงตามธรรมชาติเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็ดมกลิ่นลิ้มรสเดี๋ยวรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกปรุงแต่งนี่จิตทํางาน พอจิตทางานแล้วก็มีสติตามรู้ไปพอจิตกระทบอารมณ์แล้วจิตก็กระเทือนยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแล้วก็มีสติตามรู้ไปรวมความก็คือปล่อยให้จิตนี้ทำงานไปตามธรรมดานะ <Okay. S 1> แล้วก็อะไรเกิดขึ้นอะไรแปรปลอมขึ้นมามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับมัน <Okay. S 1> แต่ไม่ให้ผิดศีลเ <Good. S 1> ช่นโทสะเกิดไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามมีโทสะ พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่บอกว่าภิกษุห้ามมีโทสะแต่ภิกษุพอจิตมีโทสะและ้วรู้ว่ามีโทสะนะถ้าโทสะแรงมันครอบงําจิตได้มันอยากด่าคนอื่นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องถือศีลไม่ดา่านศะีลมันจําเป็นตรงนี้แหละสำหรับคนทํำมิปัสสนานะต่อไปนะสามสิบสี่ สงการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อ11เดือนที่แล้วครับก็ตอนนี้รู้สึกมันตื่นเต้นก็คิดว่าคงกดอยู่11เดือนนี้มีอะไรแตกต่างไปบ้างไหมรู้สึกทุกมันที่เคยคิดว่ามันจะหนักมันเบาลงคย <c oughs> มันเบาลงแต่ก็ไม่ไม่ไม่เบามากจนหายอะไรนะอ <c oughs> ไม่ได้ฝึกให้หาย ห, ายหรอกนะฝึกเรียนรู้มันไปคุณเห็นหรือยังใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อย เรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละ ว, วันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับคุณเริ่มเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละดูตรงนี้ละดูบ่อยๆขอบคุณครับเมื่อ29ทําไมดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะตอนนี้พวกเราภาวนานะเพื่อไปสู่โสดาปฏิมัติพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั้นเราก็หัดดูอย่างท่านไปด้วย ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับวันใดที่ใจยอมรับความจริงใจก็จะเป็นพระโสดาบันไดเบอร์ยี่สิบเก้ใช่ไหมอเชิญกรับน้อมักการหลวงพ่อเจ้าค่ะว่างไงไม่ทราบว่าต้องต้องมาลุกกายหรืออะไรเป็นพิเศษไม่ต้องลูกกายก็ไม่ได้หรอกหลงหลงไปฟุ้งแล้วรู้รออใจฟุ้งซ่านเรารู้ใจฟุ้งซ่านเรารู้ให้รู้ตัวนี้บ่อยๆนะค่ะแล้วตอนหัวเราะนี่รู้สึกมันโล่งก็ก็รู้ไปก็รู้ว่าโลง่ลงนะ <c oughs> นั่นแหละหัดรู้ไปอย่างนั้นค่ะ <c oughs> แล้วมีอะไรติดติดติดอีกไหมคะที่ใจหัดรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่า <c oughs> นคะรูบ้บ่อยบอนน่อยแล้วมันจะรู้อย่างอื่นเองค่ะ <c oughs> แล้วนั่งสมาธิ <c oughs> นั่งนั่งแล้วจะซึมไปคนที่ฟุ้งมากๆนะเวลาไปทําสมาธิมันจะซึมคนที่ซึมมากๆมันตั้งสมาธิมัดีฟุง้ง <c oughs> <c oughs> แล้วเราต้องนั่งไหมคะนั่งเป็นแบบไปเดิน เดให้เดินนะไปหางานทําไปกวาดบ้านถูบ้านทํางานไปเรื่อยๆอย่านั่งนิ่งนั่งนิ่งแล้วโมหะครอบของคุณเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นกิเลสตะกูลโมหะนะท่นั้นเราไปนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวโมหะครอบง่ายกระดุกกระดิกไว้ดีกว่าเคลื่อนไหวไว้นะคหางานบ้านทําไปเรื่อยๆแล้วการทําในรูปแบบทํารูปแบบด้วยการทํางานไป ทางานบ้านไปนะเห<ค>็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูร่างกายทางานใจเป็นคนดูถ้าคุณอดทนทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานคุณจะเข้าใจนะค่ะ32บสองกราบนมบัตการของพ่อค่ะลูกนั่งสมาธิไม่ได้แล้วมีเรื่องทุกข์ใจมากม อ, อย่านั่งสมาธิเกิดจากตามองเห็นไม่ค่อยชัดได้ยินไม่ค่อยชัดแล้วมันรู้สึกว่ามันอึกอัด ร้อนอยู่ข้างในอแล้วตอนนี้ลูกก็ร<ห><อ>ู้ตว่าเมื่อเราตาเรามองไม่ชัดนะหูเราไม่ชัดเนี่ยให้เรารู้ที่ใจเราให้ชัดพอตามันไม่ชัดนะใจเราหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าใจหงุดหงิดนะหูเราได้ยินไม่ชัดใจหงุดหงิดรู้ว่าใจหงุดหงิดให้รู้อยู่ที่ใจบ่อยๆนะคือตอนนี้ลูกภาวนาอิติปิโซพุทคุณไม่ทำตะคุณทุตสังขุณเลิกเลยนะเลิกเลย จิตติดติดตรงนี้ไม่ดีเลยมันติดซึมไปนะกลับมาเป็นมนุษย์ปกติให้ได้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนที่จิตติดนิ่งๆอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยอยู่พยายามเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไว้แล้วก็รู้ทันใจรู้สึกไหมตอนนี้ใจโล่งกว่าเมกี้ใจมันโล่งขึ้นดูออกไหมนะนี่เราต้องไม่น้อมใจส่วนอิติวิโทแล้วใจเรื่องนี้ ใจซึมไปไม่เอาเลยน ะ, ะทำอย่างนั้นโมหายิ่งมากเนี่ยหัวล้ออย่างเงี้ยใจเบิกบานรู้ว่าใจเบิกบานไม่น้อมให้ใจนิ่งใจซึมเพราะงั้นเคลื่อนไหวไว้หางานทำไปแล้วก็จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปอาเบอร์18 <ะ>อย่าไปนั่งสมาธินะถ้านั่งแล้วมันจะซึมไปเลยกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือช่วงที่ผมเดินจงกรมเนี่ย มันจะมีสภาวะอันหนึ่งที่เวลาชฉยยกไหม่นิดมันมีสภาวะอันหนึ่งที่พอมันสุดเนี่ยมันมันจะนิ่งสภาวะนิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมารู้กายแวบเดียวแล้วก็เคลื่อนไหวต่อจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไม่ทราบไม่เป็นไรรู้อันนี้นี่ถือว่ารู้ถูกอย่างครับก็รู้อย่างนี้ก็ได้นะแต่อย่าไปเอาตัวนิ่งนะถ้าใจมันเกิดหยุดขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอย่างเงี้ย ต้องระวังนิดหนึง่งถ้าถ้าตอนที่หยุดนิ่งแล้วมีความแข็งๆ ข, ขึ้นมาสักนิดเดียวนะแสดงว่าติดเพ่งอยู่นิดหนึง่งเวลาเดินจงกรมนะเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเช่นใจลอยไปรู้ว่าใจลอยพอสุดทางจงกรมนะอย่าเพิ่งหมุนตัวยืนรู้สึกตัวให้สบายให้ใจสบายนะรู้สึกสบายๆพอสบายแล้วก็ค่อยหมุนกลับมาไม่ช้าไม่เร็วเกินไปพอหมุนกลับมาแล้วอย่าเพิ่งเดิน ถ้าหมุนปุ๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตจะเดินก่อนจิตจะเดินก่อนขาอันนี้ไม่ดีแล้วเราหมุนกลับมาเรารู้สึกตัวให้สบายแนละ้วค่อยเดินใหม่เราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาอะไรหรอกเบอร์สี่สิบส่เชิญการมัศการค่ะหลวงพ่อที่ปฏิบัติมานะ่ยมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจนี่มันจะเป็นการเพ่งจอง้องก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆ ธรรมดาให้ให้รู้เองแล้วแต่ก็ก็จะรู้อยู่เรื่อยๆแต่รู้สึกห่างๆไม่ทราบว่าถูกต้องไหมจะเป็นการว่าเฉยไปหรือเปล่าเฉยไป ม, มันตำบุญตำกรรมมากไปเบื้องต้นเนี่ยจงใจไว้หน่อยหนึ่งก่อนเบื้องต้นนะยังไงก็ต้องจงใจนิดหน่อยตั้งใจปฏิบัติไปอย่าไปกลัวว่าอยากปฏิบัติแล้วเป็นกิเลสมีกิเลกก่อนอยากปฏิบัตินะแล้วก็ลงมือดูกายดูใจไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งค่อยละกิเลส ถ้าสมมติว่าพออยากปฏิบัติเรารู้ทันว่าอยากเราเลยไม่ไม่ปฏิบัตินอนเลยอย่าเงี้ยเราบอกว่าเราไม่ตามใจกิเลสอันนี้เสียทีละนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยอยากนิดหน่อยไม่เป็นไรตึ ง, งไ ว, <ล>ไว้ไวนิดหน่อยตึงไว้นิดหน่อยดีกว่าเริ่มให้พอดีแล้วสักแป๊บเดียวมันหย่อนเกินไปค่ะแล้วเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยมันจะมีคําพูดกํากับมาเลยว่าเขาทําให้เรามโหยแล้วนะอะก็แค่รู้ว่าจิตมันพูดเราอย่าไปช่วยมันพูดจิตพูดไม่ใช่ปัญหานะ ถ้าเราพูดเองถึงจะมีปัญหาเช่นมันโกรธขึ้นมาแล้วจิตมันพูดว่าอ๋อโกรธแล้วนะไม่เป็นไรถ้าพอมันโกรธแล้วโกรธหนอโกรธหนออันนี้จงใจ อ, อ, อย่างนี้ไม่ดี ไ, ไปหาเแล้วนะไปแล้วมีอะไรที่ติดขาดที่ต้องแก้ไขอะไรไหมคะตอนนี้จิตประคองไว้ดูออกไหมโกรธเอาไว้นะใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วมีสติตามดูไป ร1 อ, อส1สิบสีส่สราบธรรมสถานค่ะมาส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อ4ี่เดือนที่แล้วข่าวที่ถามว่าสมถาก ว, วิปัสสนาเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือเปล่าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกเกิดขึ้นพร้อมได้หนูก็เลยกลับไปทําการบ้าน4เดือนนะคะก็คือมองจิตแล้วมันจะรวมเป็นสมถะเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะคะ่ะคืออย่างกเห็นไหมรวมแล้วก็ขึ้นรวมแล้วก็ขึ้นตรงที่รวมแล้วขึ้นมาเนี้ยแสดงใจรักล้ เกิดดเปลี่ยนแปลงแล้น ะ, <ค>ะแต่ถ้ารวมแล้วก็นอนเป็นอย่างนี้ไม่ขึ้นมันไม่ดีแล้วหลวงพ่อคะแล้วช่วงที่อนั่งดูจิตไปเรื่อย แ, แล้วรวมถึงอารมณ์สมถาะาแล้วดวงสว่างที่มันเกิดขึ้ น, นคืออะไรคะก็เป็นนิมิตนิมิตแล้วเราก็คือมองมันไปเรื่อย เ, รอเรอหรอให้เราดูจิตแล้วดูแต่จิตแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจนิมิตแล้วนิมิตมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรคะนิมิตเกิดมาเพื่อจะให้เราไปทําฌาน แล้วฌานนี่คือนิมิตไม่ใช่นิมิตตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ก็คือคือเวลาอย่างเราหายใจนะสเสร็จแล้วเกิดเป็นดวงสว่างขึ้นมา<ะ>เราไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วครานี้เรารู้ดวงสว่างเป็นอารมณ์ดวงสว่างนี่เรียกว่าอุกขห์นิมิตนะก็ดูไปจนเราสามารถคอนโทรลได้นะให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ให้เล็กเข้าปลายเข็มก็ได้เลยยอดได้ขห่ได้เป็นปฏิภาคนิมิต ให้เรารู้ดวงนี้มิตรนี้ไปเรื่อยๆด้วยใจที่สบายรู้อย่างพอดีพอดีถ้ารู้แล้วออกน้ําหนักมีน้ําหนักเกิดขึ้นที่จิตนิดหนึ่งก็ไม่เข้าฌานแล้ถ้ารู้ไปสบายๆถ้าเบาไฟก็หลงตรงนี้อยู่ที่ทักษ ะ, ะแต่ว่า<ง>เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนามันไม่ได้ช่วยให้หมดกิเลสใช่ไหมคะไม่หมดนิ่มิตรนี้มันจะเปลี่ยนเป็นฌานเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราชํานาญมันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผล เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมคะเวลาเกิดนิมิตให้ย้อนมาดูจิตตัวเอง <c oughs> เช่นมีนิมิตเกิดขึ้นมาจิตรู้สึกดีใจรู้ว่าดีใจนิมิตเกิดขึ้นมาจิตสงสัยว่าจะทํายังไงดีรู้ว่าสงสัย <c oughs> นิมิตเกิดแล้วย้อนมาดูจิต <c oughs> นิมิตมีเยอะนะนิมิตภายในนิมิตภายนอกนิมิตภายในเช่นเราพอนาแล้วสว่างขึ้นมาหรือรู้เห็นขึ้นมา <c oughs> นิมิตภายนอกบางทียังนั่งนั่ ง, งอยู่นะเห็นเทวดามาเยอะเลย เทวดามาเยอะแยะเนี่ยถ้าเราสนใจนะมัวแต่ดูเทวดาเราก็ลืมดูตัวเองใช่ไหมวิธีที่ดีที่สุดก็คือพอเห็นเทวดาเห็นนิมิตย้อนมาดูใจตัวเองแล้วพอดูใจตัวเองนะใจไม่มีกิเลสอะไรแฝงอยู่แล้วย้อนออกไปดูอีกทีถ้าเป็นเทวดาตัวปลอบนะมันจะหายไปหมดแล้วถ้ามันยังนั่งโดดอยู่เนี่ยตัวจริงนะให้กลับมาดูจิตนิมิตไม่เอาอยาวนิมิตนะ คุณรู้สึกไหมคนรรอบตัวเราเขารู้สึกเราแปลกๆเพราะาเราไปเล่นพวกนี้มากไปเพี้ยน ง, ง่ายนะเดี๋ยวคนเขารู้สึกเราเพี้ยนเสียหายหมดเจ็ดสบแปดกาบเขาการเรียนหลวงพ่อนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเกิดความรู้สึกว่าตอนที่เรานั่งอยู่ในชีเราอยู่ในชีวิตปกติประจําวันเนี่ยนะคะ ก็เอ๊ะมันอารมณ์มันนิ่งเกินไปก็เอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าพอเราไปงานงานศพนะคะหลวงพ่อเราเห็นเลยว่าเหมือนกับเราเกิดคิดไปว่าเอ๊ะเราฟุ้งซ่านหรือเปล่าเพราะเราไปเห็นเจอคนมากๆเนี่ยเห็นความโกรธเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีๆทั้งหมดของกิเลสอะค่ะของเข้าหรือของเราของเราเออใช้ได้ดีไปอีกไปงานศพไป <laughs> แต่หลวงพ่อครั <laughs> มัน มันมีทั้งความหมันไส้มีทั้งแบบทุกอย่างรวมกันอยู่เลยนั่นแหละตัวเราจริงจริงละกิเลสเยอะเราเฝ้ารู้ไปนะเราจะเห็นเลยกิเลส ท, ทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ใช่ภาวนาเพื่อลักกิเลสนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไปกิเลสมาแล้วก็ไปกูศนมาแล้วก็ไปสุขทุกมาแล้วก็ไปฝึกรู้ตรงนี้นะแต่ทีนี้ว่าพอเราไปอย่างเนี้นะคะไปทุกๆวันเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับ พอเรากลับมาสวดมนต์ที่บ้านใจเราไม่สงบอะค่ะให้รู้ว่าใจไม่สงบนะใจไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเนี่ยดีกว่าสงบทุกวันสงบไปเรื่อยๆไม่เกิดปัญญานะสงบบ้างไม่สงบบ้างนั่นดีไม่เคยสงบเลยก็ใช้ไม่ได้เป็นปกติใช่ไหมคะเป็นปกติเบอร์หกสิบสองพ่อเขากรบเรียนอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วอย่างปกติทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมี รู้สึกตัวว่าตอนนี้เราโกรธตอนนี้อะไรแต่มันมีความกลัวละเอียดที่แบบไม่ทันได้มองอ่ะค่ะอย่างเช่นช่วงนี้มีไข้หวัดระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็เอเออกลัวมันแต่มันมันแฝงอยู่แฝงอยู่ได้สักสองอาทิตย์เนี่ยอืก็มาเพิ่งรู้สึกตัวว่าโอ้เนี่ยเราเรากลัวเรากลัวความติดโรคพอนึกขึ้นได้ปั๊บรู้สึกตัว ความกลัว น, นั้นก็หายไปใช่ค่ะก็เรายังไม่รู้จักสภาวะของความกลัวตัวนี้ถ้ารู้จักนะสติเกิดมารู้ทันมันก็หายไปค่ามันแทบจะมองไม่เห็นเลยค <In> ่ะมัน <an> มันมันจะมีสภาวะที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้เราก็ไม่รู้นะแล้วแล้วอย่างว่ามันก็เกิดกลัวขึ้นมาอีอะค่ะไอ้ความกลัวหวัดไม่ใช่ฝึกไม่ให้กลัวนะ กลัวขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยความกลัวมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปห้ามไม่ได้คืออย่างนี้นะเมื่อหกสิบองขอบคุณค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อ3เดือนที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าก็ถูกทีละลำดับอะค่ะแต่3มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นกับหนูอะค่ะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทศตอนเช้าอะค่ะ เห็นกิเลสเห็นความโกรธเห็นความดีใจอะไรต่างๆค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความสงสัยก็คือว่าช่วงที่เจริญสติและจิตเผลอเปนก็รู้โมโหก็รู้หลงก็รู้มานะตัวตนเกิดขึ้นมันมันรู้ว่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันรู้แล้วเหมือนกับมันมันวิ่งไปแป๊บหนึ่งอะค่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูไปหลงไปสร้างตัวรู้หรือเปล่าอะค่ะจิตมันติดเพ่งนะ เพ่งเลยใช่ไหมคะมันเลยซึมเลตอนนี้ก็ซึมอยู่ดูออกไหมใจไม่ผ่องใส100ร้อยเอร์เซนต์ใจกด<ไ>อะค่ะกดกดหนักหนักมัวมัวมืดมืดดูอดดอก <c oughs> ไหมใช่ค่ะเพราะฉั้นเวลารู้สภาวานะน่ารู้เฉยเฉยอย่าไปกดมันแต่ห้ามไม่ได้เพราะเราเคยชินที่จะเพ่งค่ะนะกรรมฐานเก่าที่เราทําเนี้มันชินเพ่งเราะนั้นมันจะเพ่งเรื่อยๆห้ามมันไม่ได้แต่รู้ทานเอาวันหนึ่งมันก็ค่อยเลิกไปอื แล้วอย่างกรณีที่แบบว่าช่วงที่เดินจงกรมอะนะคะก็ดูรู้สึกว่าการากายมันเคลื่อนไหวอะค่ะพราหนูก็ดูต่ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรจิตมันเผอหนูก็รู้สึกแต่ทีนี้มันมีรู้สึกรู้สึกว่าเห็นอาการของจิตมันรวมอะค่ะมไม่เห็น<ม>เป็นไรเลยเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าสมถะกับวิปัสสนาเกิดขึ้นพร้อมกันได้เหรอไม่อันนี้สลับกันสลับกั น, กนใช่ไหมคะท้องคุณก็ไม่ใช่สมถมะวิปัสสนาพร้อมกันมันสลับกัน สมากับวิปัสสนาพร้อมกันนะต้องชํานาญทั้งฌานนะและต้องชํานาญในการดูจิต2 อ, อย่างในตัวคนเดียวกันของคุณมันสลับกันเห็นไหมดูๆไปช่วงหนึ่งมันรวมพอ<ช>ขึ้นจากการรวมมาดูต่อค่ะนะใช่อย่างนี้หนูก็ต้องไม่เพ่งใช่ไหมคะอย่าไปเพง่งถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งแต่อาการที่เพ่งบางทีหนูก็รู้สึกว่ามันเพง่งแต่ช่วงไหนที่มันไม่รู้สึกว่ามันเพ่งแล้วมันเป็นเพ่งนี้เราจะสังเกตยังไงอะคะช่วยไม่ได้ สังเกตนิดเดียวใจมันโล่งไหมถ้าเพ่งน้าใจมันมีน้ำหนักขึ้นมาแต่มันเคยชินจะเพ่งห้ามมันไม่ได้ช่วยไม่ได้มันจะเพ่งแต่ว่ามันเผลอหรือว่ากายอั่งกระพริบตาเนี่ยมันกระพริบไปบ่อยเรารู้สึกอย่างนี้ก็คือเราถือว่าเพ่งไหมครับถ้าจงใจรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ค่ะบางทีมันก็พริบขึ้นมาเองอะไรกระพริบแล้วรู้สึกเองว่าไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่งนะคะดูที่ใจถ้าใจหนักขึ้นมาเราก็เพ่ง เบอร์ห5คนสุดท้าย55หลวงพ่อคะหนูย้ายไปภาวนาทางอีสานได้ปีหนึ่งแล้วค่ะพอไปครั้งแรกเลยนะคะมันก็จะแยกเวทนาที่เคยเวทนาหนักๆแยกนะคะแล้วก็จะมีตัวรู้อยู่ต่างหากนี่ตลอดมา แต่มันเกิดความสงสัยหลายครั้งก็ยังไม่เก็บไว้ดูก็เมื่อวานเนี่ยรู้สึกชัดก็เลยจะกล่าบหลวงพ่อคือว่าใจตอนเนี้มันเวลาโกรธปกติหนูเป็นคนขี้โกรธอะไรก็โกรธแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันไม่โกรธอะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยสร้อยแล็คเก็ตของหลวงพ่อหายกอนมาวัดน่ะฮะหนูก็ตกใจนิดเดียวแล้วหนูก็วนกับไปหาพอเจอหนูก็เฉยก็รู้ว่าว่าเจอแล้วดีใจแล้วก็มา ใจมันไม่ไม่วืบว่าปะไม่ทราบว่าหนูติดล็อกรึเปล่าคะถ้าตอนนี้ติดล็อกค่ะตอนนี้ติดล็อกอตอนนั้นไม่เห็นนี่<ะ>ตอนล็อกเก็ตหายอ ะ, ะ <c oughs> วัดตัวเองง่ายๆน ะ, ะถ้านิ่งนานๆเนี่ยติดง่ายๆเลยปกติที่ ท, ที่ในที่หนูอยู่คนเดียวแล้วไม่อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนะคะจิตหนูก็จะเหมือนภาวนาเมื่อวานกับวันนี้ค่ะจะจะจะรา บ, บอ่ะค่ะ ดูดนะถ้ามันลาบแล้วก็คงที่นานเลยเนะี้ยคงเป็นพบอะไรสักอันหนึ่ง oh. ถ้าไม่ติดอยู่ในพบเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะต้องมีพบสักอันหนึ่งที่ไปติดอยู่ค่อยๆสังเกตเอาอเชิญกลับบ้านเหนื่อยวั น, วนเดี๋ยวไปถามแม่ชีก็แล้วกันนะแม่ชีกเก่งนะ คูบาอาะก็ได้เอาผู้หญิงไปถามแม่ชีผู้ชายไปถามคูบาอานักวิชาการไปถามอาจารย์หน่วย